2.36 หลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรวงเล็บเปิดห้าพฤศภิกายน2549จุดจุดนาทีเก้าวงเล็บปิดชาวห้องสมุดบ้านอารีลูกศิษย์อาจารย์สุรวัตรตอนหลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัตรไม่ได้สอนเยอะนะอาจารย์สุรวัตรอินซีแก่กล้ามาแต่ก่อนแล้วสอนนินดๆหน่อยๆเริ่มต้นพอมาเจอหน้าก็สอนแค่บอกว่ายังรู้ตัวไม่เป็นเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกบอกแค่นั้นแกก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมา ก่อนหน้าที่อาจารย์สุรวัตรจะมาเจอหลวงพ่อเขียนเมลมาถามก่อนมาเล่าบอกว่าเข้าปฏิบัติโดยการที่พอเห็นสภาวะอันใดอันหนึ่งแล้วก็ต้องเอาสภาวะนั้นมาพิจารณาแก้ไขเช่นเห็นความโกรธก็ต้องมาพิจารณาความโกรธจนกว่าจะหายโกรธตอนนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อตอบเมลเยอะนะหลายสิบฉบับตอบไปสั้นนิดเดียวที่ทําอยู่นะผิดให้รู้สภาวะไม่ใช่ให้แก้สภาวะสอนไปแค่นี้นะ แกรู้เลยว่าแกต้องรู้ทุกหรือรู้ความโกรธอะไรที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เข้าไปแก้ไขมันสำคัญนะนี่เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญทีนี้แกก็ดูของแกอย่างนี้แหละสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปเสร็จแล้วดูแล้วก็ชอบหลงเข้าไปแทรกแซงความโกรธเกิดขึ้นก็หาทางละกุศลเกิดหาทางรักษาจิตใจมันจะคอยทางานต่อแกก็อุตสาห์เขียนกระดาษไปแปะเอาไว้ตามที่ต่างๆรอบๆตัว แปะเอาไว้ตามจอคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างนะให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางแปะเอาไว้ทำนองนี้ก็คอยรู้คอยดูจิตใจของตัวเองไปดูทุกวันดูอยู่ไม่นานนะ 7-8 เดือนเองก็เข้าใจธรรมะ